แก้หนังสือนิดหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยบรรทัดที่สองนับจากล่างหน้าหนึ่งร้อยเขามีคำว่าเป็นปัจจัยแห่งความเป็นผู้รู้ความบริบูรณ์ด้วยปัจจนิยะองค์ของตนแปลหมายว่าไอ้คำว่าด้วยปัจจนิยะองค์ของตนเนี่ยนะแปลว่าองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรแปลแปลามาว่า ความบริบูรณ์ด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรแก้หมดแล้วใช่ไหมถ้าแก้แล้วก็ดีแล้วข้อความในเนติปกรณ์ปริขาระหาระวิพังที่สิบห้าข้อสี่สิบเก้าหน้าแปดหน้าเก้าสิบแปดบรรดาหาระสิบหาหะะเหล่านั้นเนี่ยนะปริขาระหะหะระหะะที่สิบห้า ปริฆระหาระคืออะไรคือหาระที่แสดงเหตุและแสดงปัจจัยของธรรมทั้งหลายแสดงเหตุแสดงปัจจัยคำว่าเหตุกับคำว่าปัจจัยเนี่ยต่างกันตรงนี้นะปัญหาว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยบางอย่างก็เนื้อหาเน้นเฉพาะที่ไม่ต้องโยงบางอย่างโยงแล้วดีบางอย่างโยงแล้วไม่ดีเหมือนคำว่าตรงนี้คำว่าเหตุกับคาว่าปัจจัยเหมือนกัน คำว่าเหตุนั้นหมายถึงเหตุที่เป็นสภาคะเป็นเหตุที่เป็นภายในเป็นเหตุที่ทำให้เกิดและก็เป็นเหตุที่ไม่สาธารณะอันนี้คือความหมายนิยามของเหตุส่วนปัจจัยเป็นชื่อของสิ่งที่วิสภาคะไม่เหมือนกันเป็นอยู่ภายนอกเป็นตัวที่อุปธรรมเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะนมัน ในคาถาที่พระกัจจยนะเรียบเรียงไว้ว่าเยธรมายังธรมังชนะยมติเป็นต ok ้นที่บอกว่าปัจจยธรรมมีอวิชชาเป็นต้นเหล่าใดยังปัจจยุปบรรธรรมมีสังขารเป็นต้นอันใดให้เกิดนนะการแสดงอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าปริขาระหาระเป็นการแสดงถึงปัจจัยกับปัจจยุปบันนั่นเอง แต่ว่าในในส่วนของปริขารหาระเนี่ยเน้นการอธิบายปัจจัยธรรมนคล้ายๆกับปัฏฐานนั่นแหละปริข า, หารหาระเนี่ยคล้ายๆกับคำพี่ปฏฐานคือเป็นตัวที่อธิบายปัจจัยอธิบายปัจจัยโดยตรงอธิบายปัจจัยแบบอ้อมๆ อ, อ, อ น, นอธิบายเหตุกับอธิบายเหตุใกล้ๆกับเหตุไกลๆเหตุชัดๆกับเหตุที่ว่าไม่ค่อยชัดเป็นต้นลักษณะเนี่ย คือธรรมะใดยังทําใดให้เกิดธรรมะอันนั้นชื่อว่าบริขารของธรรมนั้นหมายคือว่าตัวผลเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุไอตัวเหตุที่แวดล้อมทําให้สิ่งนั้นเกิดนั้นเรียกว่าบริขารอย่างเช่นบริขารของชีวิตมีอะไรบ้างบริขารก็คือตัวที่มันหล่อเลี้ยงให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ฉันใดก็ดีธรรมทั้งหลายปัจจุบันธรรมทั้งหลายผลทั้งหลายจะต้องมอีต้องอาศัยบริขารคืออาศัยเหตุ สิ่งเหล่านั้นจึงจะตั้งอยู่ได้เหมือนอย่างว่าหลังคาเนี่ยตั้งอยู่ได้ลอยๆยหมหลังคาไม่ใช่ว่าวนะ ว, าว่าวยังต้องอาศัยลมใช่ไหมหลังคาก็เหมือนกันต้องอาศัยสิ่งที่ค้ำยันข้างล่างไอตัวค้ำยันตัวเนี้ยที่ที่ทำให้หลังคาดํารงอยู่ได้นะ่ะเรียกว่าบริขารบริขานี่มีลักษณะอย่างไรบริขานี่มีลักษณะการทําให้ผลเกิดขึ้น ตัวที่ทำให้ผลเกิดขึ้นได้เรียกว่าบริขารบริขารที่นี้แต่บางทีถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับพระมากๆก็เลยฟังคำว่าบริขารคือบริขาร8บริขาร8ของพระพิสูจน์ที่บวชมาต้องมีบริขาร8ใช่ไบริขาร8ดมีอะไรบ้างมีไตรจีวรสมใช่มีบาทมีมีดโกนมีเข็มมีด้ายมีธรรมะกรกภาครองน้ำอันนั้นะเรียกว่าบริขาร8ดของพระ หมายถึงว่าเครื่องที่ทําให้พระดํารงอยู่ได้บวชอยู่ได้ต่อไปเครื่องใช้ชีวิตที่ให้เป็นไปได้แต่คําว่าบริการในที่นี้หมายถึงว่าบริขารของสังขารธรรมทั้งหลายสังขารธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นจําต้องดํารงอยู่โดยอาศัยบริขารอ่นะอาศัยบริการหรืออาศัยเหตุอาศัยปัจจัยให้ดํารงอยู่ได้ ธรรมะทั้งสองคือเหตุและปัจใจเนี่ยคือตัวที่ทําให้ผลเกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยผลทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เพราะผลทั้งหลายที่เกิดได้ก็เนื่องจากมีเหตุและมีปัจจัยลองหาดูสิวันในโลกนี้นะในทุกทวารและทุกอารมณ์ที่ไม่เกิดจากเหตุและปัจจัยมีไหมไม่มีทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุและปัจใจไอตัวเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าบริคัน ทีนี้นความแตกต่างของเหตุเหตุเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วปัจจัยมีลักษณะอย่างไรเพราะแสดงทั้งสองอย่างคือเหตุและปัจจัยไอเหตุเนี่ยเป็นยังไงปัจจัยนี้เป็นอย่างไรบอกว่าเหตุมีลักษณะไม่ไม่ทั่วไปแก่ผลแปลง่ายๆว่าเหตุเนี่ยเป็นอาสาธารณะเหตุแก่ผลส่วนปัจจัยนี่มีลักษณะทั่วไปแก่ผล ยกตัวอย่างว่าเหมือนอะไรนะอุปมาเนี่ยเป็นเครื่องทําให้ชัดเจนเขบอกว่าวินยูชนในโลกนี้จะเข้าใจเนื้อความได้ก็ต้องอาศัยอุปมายกตัวอย่างเช่นว่าเปรียบเหมือนพืชมเมล็ดพืชนะพืชตัวนี้แปลว่าเมล็ดนะพีชะตัวนี้แปลว่าเมล็ดเมล็ดนี้เป็นเหตุไม่ทั่วไปแห่งการเกิดขึ้นของหน่อไม้หรือกล้าไม้มเมล็ดเสดาวเนี่ยทำให้เกิดกล้าอะไรต้นกล้าของเสดามเมล็ดข้าวทําให้มีกล้าข้าว อันนะัมเมล็ดถั่วทำให้มีกล้ากล้าของต้นถัว่วอันนะัมเมล็ดพันธุไม้เป็นทําให้เกิดกล้าไม้กล้าก็คือต้นไม้ต้นอ่อนต้นเล็กนะต้นอ่อนต้นเล็กหรือต้นที่ยังไม่ได้เอาไปเพาะปลูกจริงจริงเรียกว่าเพาะาถ้าเพา ะ, มะเมล็ดเอามเมล็ดไปเพาะแล้วก็เรียกว่าได้กล้าออกมาเช่นกล้ามะม่วงหน่อตัวนี้แปลว่ากล้าไม่ใช่ลักษณะหน่อไม้นะไม่ใช่หน่อไม้แต่นี้หมายถึงว่ามเมล็ดเนี่ยเป็นตัวที่เพาะ เช่นว่าเพาะเม็ดมะม่วงมันก็จะได้ต้นอ่อนของมะม่วงถ้าเพาะขนุนก็จะได้ต้นอ่อนของขนุนถ้าเพาะลำไ ย, ยก็จะได้ต้นอ่อนของลำไ ย, ยเป็นต้นพันมเมล็ดเนี่ยเป็นอาสาธารณะเหตุเหตุไม่ทั่วไปตรงนั้นทับศัพท์หน่อยนะว่าอาสาธารณะคือมันไม่ทั่วไปเลยมันไม่ใช่สาธารณะนะพันเอาขนุนมาเพาะเป็นลำไ ย, ยไม่ได้เอาน้อยหนามาเพาะเป็นพุทราไม่ได้เพราะว่ามเมล็ดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิด กล้ากล้าหรือหนอ่ออันนั้นขึ้นมาฉันใดอันนี้เขาเรียกว่าเหตุอันนี้คำว่าเหตุนะถามว่าไอ้แล้วต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เพราะอะไรไอ้กล้าไม้ที่มันเจริญงเงอะงเอยก็ต้องอาศัยดินและน้ำเป็นสาธารณะคือเหตุทั่วไปของการเกิดขึ้นของหน่อไม้แท้จริงดินและน้ำเป็นปัจจัยของหน่อไม้พืชที่ถูกกล่าวว่ามีความเหมือนกันเป็นเหตุของ หน่อไม้ใครที่เคยเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์พืชนี่ก็จะเข้าใจดีว่ามเมล็ดพันธุ์เนี่ยคืออาศัธารณะเหตุของเกิดขึ้นอของการเกิดขึ้นของกล้าไม้ทีนี้เวลาเพาะที่ไหนก็เพาะที่ดินดินที่ดีหน่อยนะดินที่มีปุ๋ยดินดีแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยๆมเมล็ดมันก็งอกเพราะน้ำกับดินเนี่ยเป็นปัจจัยส่วนมเมล็ดพืชที่เพาะลงเนี่ยอันนี้เป็นเหตุ นะแยกคําว่าเหตุกับคำแยกคําว่าปัจจัยเหตุนี้เป็นอาสาธารณะปัจจัยนี้คือสาธารณะอย่างว่าถ้าเรามีมีกระถางอยู่กระถางหนึ่งนะมีดินดีอยู่ในนั้นนะถ้าเราเอาเมล็ดขนุนไปลงมันก็จะงอกเป็นต้นขนุนถ้าเอาพุทราไปลงมันก็จะงอกเป็นพุทราถ้าเอาลำไ ย, ยไปลง เมล็ดมันก็จะออกเป็นลำใยพันไ อ, ไอมลเมล็ดตัวนี้เรแว เ, เรียกว่าเห็ดเพราะเป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะไม่ได้ทั่วไปแต่ไอดินกับน้ำที่อยู่ในนั้นเนี่ยถือว่าทั่วไปเพราะเอาอะไรมาปลูกก็ได้เนี่ยนะเรียกว่าทั่วไปหรือเปรียบเหมือนอีกในหนึ่งนะเปรียบอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนนมใหม่ที่ใส่เอาไว้ในหม้อใส่เก็บไว้นา น, านกลายเป็นนมส้มนมส้มก็คือนมเปรี้ยว นมใหม่และนมส้มไม่ใช่มีการตั้งที่เหมือนกันด้วยการและเวลาเดียวกันฉันใดเหตุและปัจจัยก็ไม่มีการตั้งที่เหมือนกันด้วยการเวลาเดียวกันฉะ น, นั้นเหมือนกันหมายความว่านมส้มกับนมสดเนี่ยอยู่ในเวลาเดียวกันหมนมสม้มเอนมสดแปลสภาพไปเป็นนมส้มฉันใดตัวเหตุกับตัวปัจจัยก็ลักษณะเดียวกันฉะ น, นั้นเหมือนกันเไห ไม่ได้อยู่ในเวลาเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะนะปัจจัยนี่ถ้าเป็นที่อื่นก็แปลว่าอะไรตัวที่มีอุปการะถ้าปัจธานก็แปลว่าสิ่งที่เป็นอุปการะเรียกว่าปัจจัยเหตุนี่แปลว่ามูลรากอันนั้นคือพูดแบบปัจธานแต่ในที่นี้คําว่าเหตุคืออสาธารณะคือสิ่งที่ไม่ทั่วไปส่วนปัจจัยคือสิ่งที่เป็นสาธารณะนี่มาดูสังสารวัตร สังสารวัตที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นปัจจัยแท้จริงสังสาระสังสาระแปลว่าสงสารตัวนี้ไม่ได้เห็นใจนะไม่ได้แปลว่าเห็นใจสังสาระสงสารตัวนี้แปลว่าลำดับแห่งขันอายตนะธาตุที่ไหลสืบเนื่องไปเนี่ยนะเป็นยังไงก็คือเนี่ยใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้แล้วก็จะใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยนี่แหละเรียกว่าสงสาร สองสารหรือสังสาระที่ไหลสืบเนื่องไปอย่างนี้นะสังสาระนี้มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้น น, นะชีวิตที่เราเป็นไปอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันจะเป็นไปได้อยู่หรือดังคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยหรืออีกสำนวนหนึ่งก็อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมี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 ไอ <asthma> ้การสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เรียกว่าเหตุอวิชชาเป็นเหตุของสังขารสังขารเป็นเหตุของวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุของนามรูปนามรูปเป็นเหตุของสลายตระหนักลยสืบเนื่องกันไปลักษณะนี้เรียกว่าเหตุทีนี้อวิชชานี่มันมีอะไรเป็นเหตุอวิชชามีอะไรเป็นปัจจัยล่ะนะว่าอวิชชาบอกว่าอวิชชาเนี่ยมีอวิชชาเป็นเหตุอวิชชาเป็นเหตุของอวิชชาอโยนิโสมนัิการเป็นปัจจัยของอวิชชา เป็นยังไงก็คืออวิชชาที่เคยเกิดก่อนๆนั่นแหละเป็นปัจจัยหรือขออภัยไม่ใช่อวิชชาที่เกิดก่อนๆนั่นแหละเป็นเหตุของอวิชชาที่เกิดทีหลังบอกว่าถ้าใครโง่นะไม่ใช่โง่เพิ่งโง่วันนี้หรอกมันเคยโง่มานานแล้วล่ะปกตินั่นเชื่อความเคลามันมีมานานแล้วนะก็เลยเคลาหลังๆมาก็บอกว่าอวิชชาที่เกิดก่อนกับเกิดหลังต่างกันยังไงบอาอวิชชาที่เคยเกิดก่อนเป็นอวิชนานุใสอวิชชาที่กําลังเกิดตอนนี้แหละเป็นปริยุทธฐาน อวิชชาที่มันเกิดแล้วมันดับไปแล้วอะ่ะอวิชชานั้นอะ่ะคืออวิชชาที่อนุสัยอนุสัยแปลว่าสิ่งที่มีกําลังมากไม่ใช่มันนอนเฉยๆไม่ใช่หลับนะอนุสัยไม่ได้แปลว่าหลับคําว่านอนเนี่ยบางทีก็นอนรอเวลาเฉยๆเนี่ยนะมันคําว่านอนเนี่ยไม่ได้แปลว่าหลับอวิชานุสัยอนุสัยตัวนั้นอะ่ะก็คือเป็นตัวที่มีกําลังมากอะ่ะกําลังมันแรงขนาดไห น, นแรงจนถึงให้เกิดอวิชชาในตอนนี้ได้อะ่ะนะ อวิชชาตอนนี้ที่หมดไปนะมันแรงมากแรงถึงขนาดเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาในตอนหลังได้อะไรนะความโกรธเล็กๆน้อยๆเป็นเหตุให้พยาบาทในตอนหลังๆไงเพราะถ้าไอความโกรธที่เราโกรธนี่อย่าคิดว่ามันเล็กน้อยเนะเหมือนอย่างว่าไฟที่เป็นเชื้อเล็กน้อยนี่อย่าคิดว่ามันจะไม่เผาบ้านเผาเมืองฉันใดก็ดีอวิชชาที่มันเกิดก่อนนี่แหละมันเป็นอวิชานุสัยมันมีกําลังมากมันยิ่งใหญ่จริงๆ อวิชชาที่เกิดครั้งหลังหรือ ท, ที่กำลังเกิดอยู่นี่มันเป็นเหมือนกับปริยุทธานมันกลุ่มรุมปริยุทธานแล้วว่ากลุ่มรุ ม, ร ม, รมครอบงำอวิชชาน้สายที่เกิดก่อนเป็นเหตุแห่งการพอกพูนอวิชชาปริยุทธานที่เกิดทีหลังโดยเป็นเหตุโดยสมานันตะเหตุเป็นเห ต, ต, หเเหตุที่ไม่มีระหว่างขั้นเหมือนหน่อพืชเหมือนหน่อเนี่ยหนอ่หนอของพืชะนะ ส่วนผลไม้ใดย่อมเกิดเพราะเหตุคือพืชใดพืชนี้เป็นเหตุโดยความเป็นปรัมปราเหตุเหตุที่สืบสืบกันของผลไม้นั้นจริงอย่างนั้นเหตุนั้นมีสองอย่างคือสมนันตระเหตุและก็ปรัมปราเหตุแม้อวิชาก็มีเหตุสองอย่างคือสมนันตระเหตุและปรัมปราเหตุเช่นนั้นเหมือนกันหน่อพืชนี้มีอะไรสมุนธะถ้า เ, าเอาหน่อไม้เอากล้าไม้มาตั้งอันหนึ่งนะหน่อไม้มาตั้งเช่นหน่อมะม่วงหน่อมะม่วงมาจากไหน มาจากเมล็ดมะม่วงแล้วเมล็ดมะม่วงมาจากไหนมาจากลูกมะม่วงสุกลูกมะม่วงสุกมาจากไหนก็มาจากมะม่วงดิบมะม่วงดิบมาจากไหนก็มาจากช่อมะม่วงช่อมะม่วงมาจากไหนก็มาจากกิ่งมะม่วงกิ่งมะม่วงมาจากไหนมาจากต้นมะม่วงต้นมะม่วงมาจากไหนมาจากหน่อมะม่วงหน่อมะม่วงมาจากไหนมาจากเมล็ดมะม่วงเมล็ดมะม่วงมาจากไหนก็มาจากผลมะม่วงก็สืบสืบสืบอันนี้เครียกว่าปรำประระปรำประระันนี้เรียกว่าเรื่องปรำประราก็คือมันสืบสืบมานานแล้ว มันเรียกว่ามันสายพันธุ์มันสืบเนื่องกันมาอย่างนี้ไม่ใช่รุ่นกลายพันนะนี่หมายความว่าพันมันเป็นเป็นพันุ์มันเป็นอย่างนี้ไอ่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเหตุเหตุก็คือความสืบเนื่องความเป็นไปส่วนไอ้ตัวเหตุที่สําคัญเนี่ยนะก็คืออย่างอวิชชาที่เราเกิดขึ้นขณะไหนคืออวิชชาทวนอใหม่นะขณะไหนที่คืออวิชชาขณะที่กุศลไม่เกิด ขณะที่วิบากและกิริยาไม่เกิดขณะนั้นทั้งหมดเป็นอวิชาเติร์นๆอยู่นี่แหละกุศลก็ไม่มีไม่ใช่ชาติวิบากไม่ใช่ชาติกิริยาไม่ใช่รูปที่เหลือทั้งหมดนั่นเป็นอกุศลอกุศลทุกอย่างมีอวิชาเป็นเป็นรากมีอวิชาเป็นมูลเมื <ME> ่อมีอวิชาเป็นเหตุเป็นรากแบบนี้แล้วเนี่ยอวิชาที่กําลังเกิดอยู่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอาวิชาปริยุทธฐานอาวิชาปริยุทธานเนี่ยถ้ากล่าวตามนี้บอกว่าเกิดจากอวิชานุสัย คืออวิชชาที่เคยเกิดครั้งก่อนมันเป็นปัจจัยให้แก่อวิชาครั้งนี้เหมือนอย่างว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเหมือนกําลังเรากําลังกโกรธเดือดดานใหญ่เลยนะโอ้ไม่ใช่เพิ่งโกรธตอนนี้หรอกมันเคยเคยโกรธมาแล้วล่ะนีนะไอ้ความโกรธตัวที่แล้วอะ่ะเป็นปัจจัยให้โกรธตอนนี้ไอ้โกรธตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปเผาโกรต่อ ต, อตอไปอย่างเงี้ยนะเพราะมันเพาะเชื้อไปเรื่อยๆไอ้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเหตุเหตุอนนะไร ส่วนคำว่าปัจจัยก็ปัจจัยของอวิชามีอะไรบ้างวัตถุและอารมณ์เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นปัจจัยของอวิชชาถ้าเหตุของอวิชชาก็คืออวิชชานั่นแหละเป็นเหตุตัววัตถุตัวอารมณ์ตัวสัมปยุต ธ, ธรรมพวกนี้ก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนตะขันคือภาชนะใสน่ น, น้ํามันเลยนะไส้และน้ํามันเนี่ยเป็นสาธารณปัจจัยของประทีปไม่ใช่เป็นเหตุที่มีสภาวะเหมือนกัน เพราะว่าบุคคลไม่อาจที่จะกระทําตะคันไส้น้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยแห่งประทีปไม่ให้มีไฟถ้าใครเคยจุดเทียนเนี่ยนะจุดเทียนเนี่ยไส้เทียนตัวไขเทียนแล้วก็เชิงเทียนเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเหมือนกับจุดประทีปน้ำมันเนี่ยไอ้ภาชนะใส่น้ำมันแล้วก็มีเอ่อมีน้ำมันมีไส้ไอ้พวกนี้เรียกว่าเป็นปัจจัย ตัวไฟที่เอามาจุดนั่นแหละเป็นเหตุเขบอกว่าสภาพที่เหมือนกันดูดประทีบจัดเป็นเหตุไอ้ที่มันเหมือนกันกับไฟเนี่ยไฟเอาไฟมาต่อไฟใช่ไหมไอการที่เอาไฟมาต่อไฟอันนี้เป็นเหตุส่วนปัจจัยแวดล้อมเช่นกระถางน้ำมันหรือตะขั้นใส่น้ำมันตัวน้ำมันตัวไส้พวกนี้เป็นปัจจัยไอเอาไฟมาต่อไฟเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเหตุ สภาพที่เหมือนกันเหมือนไฟเนี่ยเป็นเหตุเหตุที่มีสภาพเหมือนกันเนี่ยที่เหมือนกับไฟเนี่ยจัดเป็นเหตุสภาพที่ไม่เหมือนกันเช่นตะขันเป็นต้นนะนะก็คือตัวภาชนะใส่ตัวน้ํามันตัวไส้พวกนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยเพราะมันไม่ใช่ไฟไอตัวไฟเป็นเหตุตัวรอบๆที่ทําให้ไฟลุกขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยสิ่งที่เป็นไปในภายในสันดานของตนเนี่ยจัดเป็นเหตุมาจากข้างในตัวนี่แหละ อันนี้เป็นเหตุนะถ้าสิ่งเกิดจากภายนอกตัวเป็นปัจจัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นจัดเป็นเหตุสิ่งที่สนับสนุนเป็นปัจจัยเหมือนพ่อแม่เป็นเหตุของลูกพี่เลี้ยงนางนมอาหารเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นปัจจัยเนี่ยนะสิ่งที่สาะสาธารณะกลัไม่ทั่วไปนะตัวเหตุสำคัญมากเป็นตัวจุดประกายขึ้นใอตัวนั้นจัดเป็นเหตุตัวสังตัวสิ่งแวดล้อมก็จัดเป็น ปัจจัยเรียกว่าสิ่งที่เป็นสาธารณะนั่นแหละเป็นปัจจัยอันคาว่าเหตุหมายถึงสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ในภายในสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ทั่วไปเรียกว่าเป็นเหตุส่วนปัจจัยล่ะปัจจัยคือสิ่งที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวที่มาอุปถัมตัวที่เป็นสิ่งทั่วๆไปอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยมาดู ต่อไปว่าอัถะที่ไม่ขาดสายเป็นอัดที่สืบต่อกันโดยความเป็นเหตุและผลเหตุผลเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือเนี่ยชีวิตของเราที่มันเดินอยู่ทุกอย่างเก้านี่แหละเอาแล้วนั่งอยู่ล่ะ อันาจากยืนไปเดินจากเดินไปนั่งจากนั่งไปนอนจากนอนมายืนมาเดินมานั่งมานอนยืนเดินนั่งนอนไปอยู่อย่างเงี้ยทุกตลอดตาหูจมูกลินกายใจสลับทวนรรับรู้คละเคล้ากันไปเป็นไปอย่างสืบเนื่องพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าที่ยังไม่ได้รับการตัดขาดอะไรเลยไล่สืบเนื่องกันไปอย่างนี้อันนี้แหละเรียกว่าสันตติความสืบต่อเนี่ยนะสืบต่อตัวนั้นอัฐที่สืบต่อเนี่ยแปลว่าสันตติสันตติของชีวิตความสืบเนื่องเป็นไปของ สังสรารวัฏเนี่ยนะที่ที่กำลังเป็นไปเนี่ยนะอัตถะที่เกิดจากเหตุหรือว่านิพพติเนี่ยนะเป็นอัตถะแห่งผลสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากเหตุสิ่งนั้นเรียกว่าสิ่งใดที่เกิดจากเหตุสิ่งนั้นเรียกว่าสิ่งที่เกิดจากเหตุเรียกว่าอะไรผลบางทีไปคิดสักไกลเลยนะตอบยากยากมากันนะ้งไงเพราะว่า ฟังท่านนี่มันฟังยากเพรางั้นบอกไปทําโยงตัเองก็เลยยาก <c oughs> คิดซะให้มันยากไปหมดเลยนะก็พยายามเนี่ยฟังตามให้มันเนี่ยตรงตรงนี่แหละไม่ต้องไปซิกแซกอะไรรองต่อไปนะที่เชื่อมอัดต่อระหว่างพบทั้งสองเป็นอัดการเกิดแห่งพบใหม่เชื่อมเชื่อมต่อเนี่ยนะเชื่อมต่อแปลเป็นบาลีว่าไง เชื่อมต่อแปลเป็นภาษาบาลีว่าสนธิสนธิถ้านําหน้าปฏิเฉพาะนําหน้าเลยแปลว่าปฏิสนธิพราะะนไอการเชื่อมต่อจากพบหนึ่งมาสู่เอ่อเชื่อมมาไว้เอ่อเชื่อมคือปฏิสนธิเนี่ยแหละมันเป็นงานเชื่อมต่อจากจุติมาใช่ไหมอันนี้มีความหมายว่าการเกิดขึ้นในพบใหม่ปุนัพภะเนี่ยนะปุนัพภะการเกิดขึ้นในพบใหม่ การเกิดขึ Ginsburg. ้นในพบใหม่คืออะไรก็คือการเชื so ่อมต่อจากพบเก่าเหมือนเราทั้งหลายที่มาเกิดในพบนี้ก็คือการเชื่อมต่อจากพบที่แล้วไอ้การเกิดเชื่อมต่อจากพบที่แล้วเรียกว่าปุณะภาวะการเกิดในพบใหม่เหมือนกันถ้าเราจุติพบนี้แล้วปฏิสนธิใหม่ไอ้ปฏิสนธิอันใหม่ที่เชื่อมต่อจากพบนี้สู่พบหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพบใหม่เรียกว่าชาติใหม่ชาติหน้าของชาติที่ผ่านมา อา้าชาติชาตินี้คือชาติหน้าของอดีตชาติหน้าคือชาติ อ, าอะไรนะชาติข้างหน้าอาศัยอดีตคือชาตินี้เป็นไปนะก็สื บ, ส, บ, ส, บสืบกันไปอย่างนี้อันนี้ก็คือการเกิดในภพใหม่เลฮ ะ, ะเมื่อเกิดในภพใหม่เสร็จบอกว่าอัถะ ท, ที่ขัดขวางไม่ให้ประพฤติความดีเป็นอัตที่รบกวนในการทํากุศลอัตที่ขวางไม่ให้ทําความดีเนี่ยมันคืออะไร สมมติเราไม่ทํากุศลอ้างเหตุจนไม่ได้ทําบุญเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปริพโทษเพราะความปริโทษเนี่ยนะห่วงโน่นห่วง น, น, วงนี่ห่วงจนไม่ได้ทําความดีมีเหตุผลจนทําดีไม่ได้สรุปว่านั้นแหละแปลว่าปริโทษเนี่ยนะมันก็เลยสรุปว่าอากุศลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะปริยุทธานอากุศลเช่นนิวรกามฉันทะพยาบาทีทนะัมิธะอุทะจักปุกุจจะเป็นต้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเกิดจากปริพเทศเกิดจากความกังวลเพราะในคําว่าขัดขวางไม่ให้ทําความดีตัวนั้นคือปริพเนะปริพเทศพอปริพเทศก็กังวลก็เลยเจริญกุศลไม่ได้เพราะความปริพเเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทําให้อาจุศลกลุ่มรุมขึ้นเนี่ยนะปริพเทศปริพเทศในการงานปริพเทศในญาติปริพเทศในสุขภาพปริพเทศในต่างๆที่เราห่วงห่วงใหญ่ๆเนี่ยนะไอสิ่งห่วงใหญ่นี่แหละทําให้เกิด อกุศลเนี่ยกลุ่มลมมันก็เลยถือว่ารบกวนการเจริญกุศลใช่ไหมจริงอยู่นะเช่นฟังธรรมอยู่เนี่ยถ้ากังวลอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นยังไงฟังรู้เรื่องไหมมันเหมือนกับว่าถ้าห่วงนอนเนี่ยจะฟังธรรมรู้เรื่องไหมถ้าห่วงงานจะฟังธรรมเข้าใจไหมนะถ้าห่วงกินอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะสรุปว่าขอให้มันห่วงๆประโยชน์กังวลเถอะมันขวางการเจริญกุศลตอนนี้ก็เหมือนกัน ฟังทำไม่รู้เรื่องก็ ป, ปริพเทศกังวลว่าเรานี่มันโง่งเกินไปอย่างเงี้ยนะเรานี่มันยังงั้นเรานี่มันเป็นอย่างงี้ไอ้พวกนี้ก็ฟังทำไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็เลยเฮยเรื่องนี้มันยากเหมือนกับนบางคนก็บทนั้นเนติประกรณี่มันยากเนี่จะขาดเรียนนะ่าเงี้ยกังวลว่ามันยากโอยจนได้เหตุอันสมควรเหมือนกันนะหาเหตุหาผลมีเหตุผลไปหมดเลยนะแต่นั่นแหละเขาเรียกว่าภาษาธรรมะเขาเรียกว่า ป, ปริพเทศเหมือนฉลาดเนาะ เหมือนปฏิรูปกะก็คือเหมือนเหมือนฉลาดว่างั้นแ ต, แต่ไม่ใช่หรอกอธิรว่าความเปรยพอดเนี่ยกังวลทําให้กุศลสืบเนื่องไม่ได้ทําให้กุศลเกิดไม่ได้อันนี้เคเรียกว่าเปโรโพอดเป็นอัด เ, เรียกว่าเป็นอัดที่ที่เป็นเหตุที่ทําให้อกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นอัดที่ยังไม่ตัดขาดเป็นอัดที่นอนเนื่องอยู่อันนี้หมายคำว่า อสมุคคาตะอสมุคคาตะนี่แปลว่าไม่ไม่ได้ถอดถอนคือคำว่าไม่ถอดถอนเนี่ยตัวที่ถอดถอนบาปอกุศลทุกชนิดเนี่ยนะตัวที่ถอนเนี่ยอะไรถอนรากอวิชาเนี่ยนะหรือถอนรากบาปอกุศลถอนบาปถอนอกุศลตัวที่เพิกถอนอกุศลนี่คืออะไรอะไรคือตัวมาถอนวิชาเป็นตัวมาถอนถอนบาปถอนอกุศล หรืออริยมรรคเป็นตัวถอนบาปถอนอกุศลไอการที่ยังไม่มีมรรคเกิดขึ้นเลยเขาเรียกว่าอสมุคคาตะแปลว่ายังไม่ได้รับการเพิกถอนหรือที่ตรงนี้แปลว่าไม่ยังไม่ได้ตัดขาดเพราะยังไม่ตัดขาดนี่แหละที่เรียกว่าอนุสใสอนุสัยอนุสัยก็คือยังไม่ได้ละอย่างเช่นเราเราทั้งหลายที่บอกว่ายังอโสดาปฏิมรรคยังไม่เกิดนี่แหละ ยังยังไม่ได้ถูกเพิกถอนด้วยโซดาปฏิมักรก็ยังชื่อว่าโดยโวหารว่ายังมีสักกายะทิ่ทีมีวิจิกิจฉามีศีลพัตะปรามมัก็เนื่องจากว่าโซดาปฏิมักรยังไม่ได้มาเพิกถอนสิ่งเหล่านี้ออกไปก็เลยเรียกว่าอนุัยเรียกว่าอนุใสเพราะอนุใสเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่ได้เพิกถอนยังไม่ได้ถูกถอนขึ้นเลย น, นะ อสัมปติเวทคืออัตถะที่ยังไม่แทงตลอดเป็นอัตถะแห่งความไม่รู้ความหมายของไอ้ไม่รู้คืออะไรต้องําถามว่าไอ้คาว่าไม่รู้คืออะไรไม่รู้แปลว่าไม่มีปฏิเวทตรงนี้แปลว่าไม่แทงตลอดใช่ไหมไม่มีปริญญาปฏิเวทไม่มีปหญญาปฏิเวทไม่มีสัจิกิริยาปฏิเวทไม่มีภาวนาปฏิเวท อันนี้แหละเรียกว่าวิชาความไม่รู้ตัวเนี้ไอ้ไม่รู้เนี่ยอัตที่ยังไม่แทงตลอดเป็นอถฐแห่งความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้ก็คือไม่ได้แทงตลอดไม่บรรลุอ่ะพูดง่ายๆไอ้ไม่รู้คืออะไรคือไม่บรรลุไม่บรรลุคืออะไรก็คือเพราะยังไม่รู้เพราะไม่รู้นี่แหละจึงไม่บรรุเพราะไม่บรรุนี่แหละจึงไม่รู้ตกลงแปลว่าไนเนี่อนก็เข้าใจอยู่แล้วนะ